อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อร้อยห้าสบสาเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมาณปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมมันตระปัจจัยมีเก้าวาระละถึง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 ณอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณสมณันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปนณิสียปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเ้าวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระณอาศิวะณปัจจัยมีเ้าวาระณวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยมี9้าวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระณอารมะณปัจจใจขเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมะณปัจใจกับนาหตโตปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ พึง ข, ขยายสังตะวาระปัจยะวาระนิสยะวาระสังสัถะวาระและสัมยุตตะวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระหนึ่งอุปาทินุปาทานิยบทเจ็ดปัญหาวาระปัจจะจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยร้9ยห้าสิบเก้า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 อรามณปัจจัยม in ีเ้าวาระอนันตระปัจจัยมีเ้าวาระสมันตระปัจจัยมีเ้าวาระสหชาติปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเ้าวาระนิสยาปัจจัยมีเ้าวาระอุปาณิสยปัจจัยมีเ้าวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระกตรมะปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีเ้าวาระ อาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรีย์ปัจจัยมีเ้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเ้าวาระสัมยุตตปัจจัยมีเ้าวาระวิบยุตตปัจจัยมีห้าวาระอัติปัจจัยมีเ้าวาระนัตถิปัจจัยมีเ้าวาระวิคตปัจจัยมีเ้าวาระอวิคตปัจจัยมีเ้าวาระปัจจียุทธาระร้หสอง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 เป็นปัจจัยแกลสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอารามณปัจจัยชหชาตปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอาหารรปัจจัยและอินทรียปัจจัยย่อ1 6อยนเหตุปัจจัยมีกลาวว่าณอารามณปัจจัยมีกลาวว่า ณอธทิตติปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อณอารามณปัจจัยกับเพะตุปัจจัยมีสามวาระยอ่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโ ล, ลมปัจจนิยะอนุโลมปัจจนิยะและปัจญิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในครุศาติกะที่นับไว้แล้ว 2. อ, อนุปาทินุปาทานิยบท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 เรื่อกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อร้อเหตุปัจจัยมีกลาวาระอารมณปัจจัยมีกลาวาระอธิปติปัจจัยมีกลาวาระอนันตทปัจจัยมีกลาวาระสมนันตทปัจจัยมีกลาววาระสหชาตปัจจัยมีกลาวาระ อัญญมัญญปัจใจมีเก้าวาระนิสียปัจจัยมีเ้าวาระอุปาณิสียปัจจใจมีเ้าวาระปุเรชาตปัจใจมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีเก้าวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจใจมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจใจมีเก้าวาระ วิปยุตตาปัจจยไมีฆ่าวาระอธิปัจจัยมีฆ่าวาระนัติปัจจยไมีฆ่าวาระวิคตะปัจจัยมีฆ่าวาระอวิคตะปัจจยจมีฆ่าวาระนเหอตุปัจัยและนาอารมณปัจจร้อยหกสิบหกสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกรรมอันประกอบกด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ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 ซึ่งกล่อมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะณอารมณปัจจัยย่อร้อยหกสณเหตุ ป, ปัจจัยมีสองวาระณนะอารมณปัจจัยมีสามวาระณนะธิปติ ป, ปัจจัยมีห้าวาระณนะอนันตระปัจจัยมีสามวาระณนะสัมมันตระปัจจัยมีสามวาระณนะอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระ นอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนาปชาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนอาเจวนาปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมะปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยมีเ้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะข้าปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณสัมยุตต์ปัจจัยมีสามวาระณวิบุญตปัจจัยมีเก้าวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อณอารัมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารัมณะปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมีสองวาระย่อพึงขยายสหชาติวาระปัจจยวาระนิจยวาระสังสทัววาระ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 เป็นปัจจัยแกส่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึื่อมกลัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมานาธิปติและจห ah ัชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมกรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแกส่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ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 โดยปุเรชาตปัจจัยมีอย่างเดียวคืออรมณบุเรชาตะมีสามวาระย่อร้อเจเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตรปัจจัยมีห้าวาระสมนันตรปัจจัยมีห้าวาระสหาชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระ นิสยปัจจัยมีค้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาสิวะนปจจัยมีห้าวาระกรมมปัจจัยมีสามวาระมหาราปจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีห้าวาระชานะปจจัยมีสามวาระมัคคะปจจัยมีห้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีค้าวาระ วิบิวตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระนัตถิปัจจัยมีเ้าวาระวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระปัจจนียุทธาระร้อยเจ็ดสห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกรรม เป็นประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอารามณปัจจัยสหาชตาตะปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยย่อร้อเจหนเหตุปัจจัยมีห้าวาระนะอารามณปัจจัยมีห้าวาระย่อนะอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระย่อ คพงนับเหมือนอนุโลมปัจจนิยะอนุโลมปัจจนิยะและปั จ, จนิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในคุสลตะติกะที่นับไว้แล้วสอนุปาทินนะอนุปาธานิยบทหนึ่งปฏิจจวาระปั จ, จยะจตุภนยัยเหตุปัจจร้ยอยเจ็ดสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ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 เหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระอานันทปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตรปัจจัยมีเ้าวาระสหชาตปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปนิเสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีเ้าวาระอาเสวะปัจจัยมีเ้าวาระ กรรมปัจจัยมีกลาววาระวิปากปัจจัยมีกลาวาระอาหาระปัจจัยมีกลาวาระอินทรียะปัจจัยมีกลาวาระชานะปัจจัยมีกลาวาระมัคคะปัจจัยมีกลาวาระสมำยุตตปัจจัยมีกาวาระวิปยุตตปัจจัยมีกลาวาระอธิปัจจัยมีกลาวาระนณฐิปัจจัยมีกาวาระวิคตปัจจัยมีกาวาระ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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะหนะอธิปฏิปัจจัยย่อรนะ้อยแปสิหน้าอธิปฏิปัปจจัยมีหกวาระหนะ้ปุเรชาติปัจจัยมีเ้าวาระหนะปัจฉาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระหนะ้าสวนะปัจจัยมีเ้าวาระหนะกรรมะปัจจัยมีสามวาระ นวิปากาปจจัยมีก้าวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีก้าวาระย่อนอธิปฏิปัจจัยกับเหตุตุปัจจัยมีหกวาระย่อเหตุตุปัจจัยกับน้าอทิปฏิปัจจัยมีหกวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระปัจจะวาระนิจยะวาระสังสัทาวาระและสัมบยุตตาวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระ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 อารมณปัจจ <itas S 2> <ạ. S 1> ัยม yes, ีสามวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเ้าวาระสหชาตะปัจจัยมีเ้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีเ้าวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปนิสยาปัจจัยมีเ้าวาระรามะปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระมหาราปัจจัยมีสามวาระ อินทรีย์ปัจจัยมีเ้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีเ้าวาระสามยุตตปัจจัยมีเ้าวาระวิบูตตปัจจัยมีเ้าวาระอธิปัจจัยมีเ้าวาระนถิปัจจัยมีเ้าวาระวิคตาปัจจัยมีเ้าวาระวิคตปัจจัยมีเ้าวาระปัจจนียุทธาระร้อยแปดสิบสี่ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกรรมเป็นประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกรรมเปนประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยสหชาติปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยย่อร้อยแปดสห้าณเหตุปัจจัยมีกลาวว่า นาอารามณปัจจัยมีห้าวาระยอ่อนาอารามณปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่ อ, จจยจจยยอพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนิยะอนุโลมมาปัจญจิยะและปัจจนิานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุชลติกะที่นับไว้แล้วเฮตุทุกกะและอุปาทินติกะจบ เหตุทุกกะหสังกิเลธาติกะหนึ่งสังกิเลธาสังกิเลสกะบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจยจตุกนัยิเหตุปัจใจร้อยแปดสิหกสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ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 ร้อเจหตุปัจจัยมีกลาววาระอรมณ์ปัจจัยมีกลาววาระอธิปติปัจจัยมีกลาววาระละถึงกรมมปัจจัยมีกลาวาระมหาราปัจจัยมีกลาววาระอวิคตะปัจจัยมีกลาวาระย่อณเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยร้อยแปสบสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกิเลสทําให้เจ้ามอง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 ณอธิปฏิปัจจัยมีฆ่าวาระณปุเรชาตปัจจัยมีฆ่าวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีฆ่าวาระณอเสวณปัจจัยมีฆ่าวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีฆ่าวาระณวิบุตตปัจจัยมีฆ่าวาระย่อณอธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีฆ่าวาระย่ออารมณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ ย่อพึงขยายสหาชาตะวาระปัจยาวาระนิสยะวาร ะ, ะ, าระสังจัะวาระและสัมปยุตวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระหนึ่งสังกิลิธะสังกิเลส ก, กะบทเจปัญหาวาระปัจยะจตุกนยัยเหตุปัจใจเป็นต้นร้อยเก้าสิบสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลทําให้เจ้าหมอง และเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอารมณปัจจัยมีเ้าวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสทําให้เศร้าหมอง และเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสทาให้เจ้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออา ร, รมณาธิปติจจมีเก้าวาระย่อร้ยเก้าสบเอดเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระอันันตรปัจจัยมีเ้าวาระสมัันตระปัจจัยมีเ้าวาระ สหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีเก้าวาระนิสยาปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีเก้าวาระเจวันะปัจจัยมีเก้าวาระกรมมปัจจัยมีสามวาระอหราปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระสำปรยุติปัจจัยมีเก้าวาระ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 S.> สหชาติ decline, ปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยยอ่อร้อยเก้าสานเหตุตุปัจจัยมีเก้าวาระนะอารรมณปัจจัยมีเก้าวาระย่อนอารรมณะปัจจัยกับเหตุตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อนะอารรมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยอนุโลมปัจจ尼ยะและปัจจ尼ญาอนุโลม แห่งปัญหาวาระในกุสลติกะที่นับไว้แล้วสองอาศังกิริธะสังกิเลสิกะบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกนยัยเหตุปัจจัยอยเก้าสิบสี่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส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 แต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุุปปัจจัยมีสามวาระยอ่อร้อเก้าสิบห้าเตุุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระยอ่อในะเหตุุปัจใจร้อยเก้าสิบหกสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส อาศัสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้เจ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะนะเหตุุปัจจัยย่อร้อเก้าสิบเจ็ดนะเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระน่ะอ ร, รมาณปัจจัยมีสามวาระนะอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนะอนันตระปัจจัยมีสามวาระนะสมนันตระปัจจัยมีสามวาระนะอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระ ณอุปาณิสีหปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตะปัจจัยมีเ้าวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระณอเสวณปัจจัยมีเ้าวาระนกรมมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีเ้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรีย์ปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิบยุตตปัจจัยมีเก้าวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารามณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายสหชาตาวาระปัจยวาระนิสยวาระ สังจัตถาวาระและสัมยุธตวาระให้พิสดารเหน่งกับปฏิจจวาระสองอสังกิตลิธะสังกิเลสิกะบทเจ็ดปัญหาวาระปัจจะยะจตุกนยัยเหตุปัจจัยเป็นต้นร9 8เกสปสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสไม่ทาให้เศร้าหมอง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 แต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารอมนาธิปติและสหจารตาธิปติมีสมวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหจารตาธิปติ มีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยทุตปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาทิปติมีสามวาระย่อร9 9เก้าสเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมี9้าวาระ อาิปติปัจจ e ัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตะปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเ้าวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปริเนสยปัจจัยมีเ้าวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระปัจจัชาตาปัจจัยมีสามวาระอาสิวนะปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระ ว e? e ิปากปัจจัยมีเก้าวาระหะหาราปัจจัยมีสามวาระปินตรียะปัจจัยมีเ้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีเ้าวาระนัติปัจจัยมีเก้าวาระวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อ ปัจนิยุาทธาระ 200. สองร้อยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์อของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์อของกิเลสโดยอารณมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยย่อสอง้อยหนึ่งนเหตุตกปัจจัยมีกล่าวาระนาอารมณปัจจัยมีกล่าวว่าย่อ ณอารมณะปัจใจกับเหตุกปัจจัยมีสามวาระยอ่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุกปัจจัยมีเ้าวาระยอ่อพึงนักเหมือนอนุโ ล, ลมปั จ, จนิยะอนุโลมปัจญิยะและปัจญจิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วสาอาสังกิเลตถะอาสังกิเลเสกกะบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจยจะจตุกนัย เหตุปัจจัย2องสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสองเหตุปัจจัยมีกลาววาระอารมณปัจจัยมีกลาวาระอธิปติปัจจัยมีกลาววาระอนันตระปัจจัยมีกลาวาระ สมณันตระปัจจัยมีกลาววสหชาติปัจจัยมีกล่าวว a าอัญญามัญญปัจจัยมีกล r าววนิสยปัจจัยมีกล่า่อุปนิสยปัจจัยมีกล่าวว่าูเรชาตปัจจัยมีกล่าวามหาเจวะนปัจจัยมีกล่าววกรมมปัจจัยมีกล่าวววิปากะปัจจัยมีกาวามหาราปัจจัยมีกลาอินทรียปัจจัยมีาว ฌานปัจจัยมีฆ่าวาระมัรคะปัจจัยมีฆ่าวาระซัมปยุตตปัจจัยมีฆ่าวาระวิปยุตตปัจจัยมีฆ่าวาระอัติปัจจัยมีฆ่าวาระนาฏิปัจจัยมีฆ่าวาระวิคตะปัจจัยมีฆ่าวาระมาวิคตะปัจจัยมีฆ่าวาระหน้าทีปฏิปัจจัย204สสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้เจ้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส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 นาปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนาอาศวณัปัจจัยมีเ้าวาระนกรมมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเ้าวาระนวิบุตตปัจจัยมีเก้าวาระย่อนอธิปติปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีหกวาระย่อเพตุปัจจัยกับนอธิปปติปัจจัยมีหกวาระย่อ พึงขยายสหชาติวาระปัจยวาระนิสยวาระสังสัทาวาระและสัมพยุตตาวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระ 3. อาสังขิลิธอาอสังขิเลจกะบท 7. ปัญหาวาระปัยะจยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัองร้ยห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 ย่อสเจเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระอนันตระปัจจัยมีเ้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเ้าวาระสหชาตะปัจจัยมีเ้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีเ้าวาระนิสยาปัจจัยมีเ้าวาระคูปานิสยาปัจจัยมีเ้าวาระกรมมปัจจัยมีสามวาระ วิปากะปัจจ cool ัยมีเ on. ้าวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเ้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมยุตตปัจจัยมีเ้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอัติปัจจัยมีเก้าวาระนณติปัจจัยมีเก้าวาระวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระย่อ อัจนียุทธาระสองสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยสหาชาติปัจจัยและอุปาเนสยปัจจัยยอ่อสองรนเหตุ ป, ปัจจัยมีเ้าวาระนอานอรมณปัจจัยมีเก้าวาร ะ, นะระย่าาะยอ นัาอารรมณปัจใจกับเหตุตุปัจใจมีสามวาระยอ่ออรรมณปัจใจกับนัเหตุุปัจใจมีสามวาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโลมปั จ, จนิยะอนุโลมะปั จ, จนิยะและปั จ, จนิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในคุสลติกะที่นับไว้แล้วเหตุทุกกะและสังจิริธาติกะจบ